ล้วไม่มีสติปัญญาลรามีพอที่จะสอนตนเองให้เห็นได้ผู้อื่นจึงต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้และมาประกาศสอนพระธรรมาำสอนสอนเรื่องธาตุทั้งหนี้สอนเรื่องอนัตตาสัพเพธรมาอนัตตาทศเสิยธรรมชาติทั้งหลายทำทั้งหลายนี่เป็น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 ธรรมดาพวกเราก็ร right ู right ้กันอยู shopping, <'m> ่เวลาถ้าเรารู้ว member ่าไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยทุกขกับของนึงแต่ถ้าอันไหนเป็นของเราเนี่เราจะทุกขกับมันทันทีร่างกายของเรากับร่างกายของมันเนี่ยก็เหมือนกันเช่นร่างกายที่เราไปดูเมื่อคื่อคืนนี้ไปงานมาเมื่อคืนนี้งานศพมาเมื่อคืนนี้ก็เป็นร่างกายเหมือนกับร่างกายของเราแต่เราไม่ทุกขกับร่างกายอันนั้น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 คือต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงาตุดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ําลมไฟถึงเวลาดินน้ําลมไฟก็จะมามาทวงเขืนไปส่วนที่เป็นน้ําน้ำเขาก็จะเย็ดขื่นไปส่วนที่เป็นลมลมเขาก็จะมาคึ้นเขืนไปส่วนที่เป็นเป็นไฟ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 แต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งชีวิตของเราจงเป็นชีวิตที่คลุกเข้าไปด้วยความสุขและความทุกข์ความสุขจะมีน้อยกว่าความทุกข์ความสุขจะมีเป็นระยะระยะเป็นเชือกรัดเดียวเต็วเดียวพอเดาแต่ความทุกข์นี้ความทุกข์นี้รู้สึกว่าจะเป็นพื้นฐานของใจความทุกในรูปแบบต่างๆ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 ก็จะต้องถอยออกมาออกมารับรู้กับเรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกและทางใจใจก็จะคิดตรุงแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเห็นได้ยินอะไรก็จะมีอารมณ์ปรากฏขึ้นมาแต่จะเห็นได้ชัดว่าอารณามณ์เหล่านี้มันทำให้ ใ, ใจกระเพื่อม ใจที่ออกจากสมาธินี้จะเป็นใจที่เหมือนน้ำที่ยังนิ่งอยู่ถึงแม้ว น, น้ำจะหลแต่น้าน้าไหลไปแบบไม่มีไม่มีคลื่นต่างกับใจที่ไม่มีสมาธิที่ไหลไปแต่เป็นคลื่นก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจนี่แหละเป็นความทุกข์แต่เราไม่รู้กันเวลาเราลิบตกกังวลเรื่องนเรื่องนี้ห่วงใยเรื่องนี้เรื่องนี้น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 ใจของเราก็จะไม่กระเพืงเพราะเราเห็นด้วยปัญญาเห็นสัจจะความจริงว่าไม่ใช่ของเราแน่เลยเหมือนกับเราเห็นตามสมมติสัจจะของคนอื่นว่าไม่ใช่เป็นของเราของคนอื่นนี้เราไม่เราไม่วุามายใจยด้วยไม่กังวลด้วยเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะดีเขาจะชั่วอย่างไรเราไม่มีปัญหาใจเราไม่กระเพื่อมไปกับเขา เพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติว่าเป็นของเรานั่นเองดังนั้นการที่จะปล่อยวางอุปทานได้อย่างชาัดเจนเนี่ยก็ต้องเห็นปองะปองละมัตสัจจะต้องเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของยืมมายืมมาจากธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากน้ำลมไฟอะไรต่าง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 ดินนลมไฟเมืมารวมกันแล้วเขาก็จะต้องพยายามแยกกับคืนสู่ดั่งเดินของเขาส่วนน้ำก็ต้องแยกต้องพยายามแยกออกจากดินออกจากลมออกจากไฟเช่นเดินวกับลมกับดินกับไฟต่างๆก็พยายามแยกกันอยู่ตลอดเวลาข้าของต่างจีนเก่าอยู่เรซื้อขอมา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 เมื่อเพิ่มมันก็ต้องไปหามาอยู่เรื่อยๆการหาเงินนี่มันเป็นของสนุกที่ไหนต้องเหนื่อยยากต้องคอยทางานทําการต้องไปต่อสู้ไปแข่งขันกับผู้อื่เพื่อที่จะให้ได้มันมานี่คือถ้าเราไม่มีสมาธิใจของเราก็จะถูกจุดลากไปในทางโลกแต่ถ้าใจเรามีสมาธิแล้วมันจะต้าง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 ถ้าปัญญาไม่ทำงานทุกลมหายใจเข้าออกก็สู้กิเลสไม่ได้ถ้าปัญญาทำงาน Peterson, เช้าชามเย็นชามอย่างนี้ก็สู้กิเลสไม่ได้กิเลสก็ขยันกว่าปัญญากิเลสก็ททำทุกเวลานาทีทุกลมหายใจเข้าออกแต่ปัญญาก็ต้องทำงานทุกลมหายใจเข้าออกต้องพิจารณาอยู่เสมอเวลาออกจากสมาธิแล้วต้องพิจารณาตายยั่งเป็นพื้นฐาน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 เรื่อนสต่างี่มช่วงสิบห้นิสุบางนี่สทมีธรมวัตธรรมวัตก่อนทำานาวัดก่อนท่สวดทนสวก็มีฟงแท้แล้วก็ทอะรจำถืแต่ที่ท่านคือปวะเทศครับเป็นพระผู้ใหญ่ไปก็มีพระผู้ใหญ่ไปเทศนาเทศนพระครูอะไรไม่ทราบวัดแต่ท่านไม่ใช่ทาจะพูดถึงเรื่องทาสี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 ฉันฉันต้องมือจารเคยไปครั้งเดียวทนนไปวัดไั uh ้เดียวนานี่ยครับท่านนแล้วเคยจตอนนั้นฉันยังไม่ได้เจ็บไข้ด้ตัวแต่ท่านไม่รู้จักเราเราไม่จารท่าน มีญาิโยที่นี่ครับขาจะประกาศท่านแล้ก็เลยเชิญไปล้วก็ไปสมัยแรกอาจาพักอยู่บ้านตากอาจารย์ยังไม่ได้เข้าไปเลยไปเมื่อไห่อาจารยปสองพันห้ารสิบตตอนนั้นก็ดีแต่ทาอาจารย์ยินมีท่นอาจารย์ดีท่านยาทกานเสยลีแล้วก็ทานอาจารย์อนณทวารคุบาอาจารย์อะไ น, นั้นก็ไปเลย ไปสร้างวัดอยู่ของท่านเองอยู่ไปไม่ถึปีพระอาจารย์มีท่านก็ไปไปไปอยู่ที่แต่พระอาจารย์มีท่านก็จะเข้าเข้าบอกบอบางพรรษาท่า น, นก็เข้ามาจันรรษาด้วยบางพรรษาท่า น, นก็ไม่ได้เข้ามาเางค์ท่านก็ชอบไปอยู่ตามยมภพท่านได้สร้างวัดลงศรีรัชพูนแ่ท่านก็ไม่ชอบอยู่สร้างเสร็จท่านก็ไปท่านก็มี การเด็นคนที่ไม่ชอบที่จะแบกพ้าในการปกครองแต่ท่านชอบสร้างอยู่ที่บ้านตาป่าตรงไหนที่มันกมันดีท่านก็เอายา้อโยมมาเครี่เพื่อมาปลูกปลูกต้นกล้วยปลกต้นผลไ ม, ม้เพราะว่าสมัยก่อนนี้ต้องอาศัยพวกผลไม้ทู้่ปลูกให้วัดเป็นอาหารสมัยก่อนคนไม่ค่อยมาก บางย็นจะมีเนรนมีเดินไปเก็บกล้ยวยไปเก็บสับพระรตเก็บผลไม้ที่ออกออกผลในหน้าในฤดูกาลเอามาใส่ตูบบ้บกวันเช้าก็จัดขึ้นไปถวายพระพระอาศัยผลไม้ที่ปลูกในวัดนั้นเป็นเป็นอาหารก็อาจจะให้ญาติโยมก็เขาญาติโยมบางตากเขาเป็นคนยากจน ก็ไม่มีอะไรมีแต่ข้าเหนียวแล้วก็อาหารก็หอเหมือนกับห่อที่เราห่อข้าเหนียวหอด้วยไปตองเล็กๆใหญ่ก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆนึ่งเหมือนกับที่เราเรียกห่อหมกแต่ห่อหมกของเขาแบบเป็นปลาตัวเล็กๆขก็ต้องใส่อาหารด้ว่ามตตาใ้กับเมตตาให้ทางมีโรงครัวให้ก็าทำอาหารผัด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 ก็มีตมาเนีนยท่านมีทีมือพอทือสามด้าแต่เวลาทาท่านก็มีขอบเขตในเวลาพอเย็นปั๊บท่านก็จะให้เลิกให้เก็บฝังน่ยมไม่ให้เลยเถิดทาถึงข้ามถึต้องจุดพรมจุดไฟนี้นไปนี้ทำไปท่านก็บบเ ด, ดิมาดูอาคุยดูว่าพรมกันหรือเปลคุยตรงเสียงยมหรืองงปะ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 ก็พอดีมีภาะอยู่รูปหนึ่งท่านชื่อนี่แหละดังนั้นท่านจอเป็นพระที่อยู่เวรที่ตาลาเราได้ยินลงตาพูดอย่างนั้น mm hmm. ก็คิดว่าท่านเรียกประชุม mm hmm. ตัาอกไเลยวิ่งไปบอกพระที่อ่า่ประชุม mm hmm. พระก็มากันพอมาถึงต า, างตาลาหลวงตาถามพูดท่านจะเป็นบ้ามาทำอะไรตัาประชุม ท่้นชิดชาวฟังหหงิดว่าท่านตารพอยากจะชมเป็นห่วงเป็นใพระไม่ได้ช่วงนี้ไม่่อยประชุมเลยท่านตาเลก็กชดเล็กปรชุมระเบิดลงแล้วก็ไม่ลงแล้วแต่ท่านชิดก็ ด, ดาดินไ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> นตีความ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 พอฟังเสร็จมันจิตก็จะมีกำลังเหมือนนะ่ะมันจะบต้นไม้ได้งานก็เนี้ยมีความก็เปจะดูลนออกจากประชุมไปนี้ก็ไปเดินตัวกลมต่อได้หลายชั่วโมงนความนาต่อได้แต่ถ้าไม่มีประชุมบางทีก็ที่เกลียบบ้างนอนบ้างนอนได้สองสามก้าวซะเบื่อแล้วเพราะใจนี้นันอยู่ใ น, น ท, าทาํทาหงธรรมใจของท่านใจของท่านนี่มันเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลา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 ไปพอหมดเนี้ก็อ่านเรื่อต่อเรตเพื่อไม่ต้องอาศัยที่ท่านเรียกประชุมถ้าเรียประชุมก็ดีไม่เรียกประชุมเราก็ได้ได้ฟังเทศท่านอยู่ได้อา่านเทศน์ไดทุ่มันก็ทำให้เรามีความรู้คอยเตือนเราว่าควรจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง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 ประเดงนี้แล้วก็จบเรนต่อไปได้ประเยงก้าแต่ไม่เคยเอาความรู้เหลนี้ไปปฏิบัติเลยอย่างที่หลวงปูมันบอกหนอตาตอนที่ไปการาบหลวงปู่ลวงปูมั่นขออยู่ทานกา็อนุาให้อยู่แล้วลคืนั้นานกพูดธรรมให้งว่าท่านเป็นถึงมหาท่านมีความรู้มากทางด้านปริญญาแต่ความรู้ทางปริญญาของด้านนี้มันยังไม่เป็นประโยชน์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 แล้วเวลานั่งแล้วดีไม่ ด, ด, ดียังไม่เป็นก็ไปไ ป, ไปวาดภาพขึ้นมาว่าเป็นแล้วหรือถ้าเป็นขั้นปัญญาขก็คาดไปแล้วว่าเป็นโสเดาโสดาโสเด า, ดานะเป็นนั่นเป็นนี่นะมไม่ต้องเป็นตัวที่จะว่าความจริงยากเลยความสนุกหรือความทุกข์ความดับความทุกข์ภายในใจเนี่เป็นตัวตัววัด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 สัต์ทั้งหลายใกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมนใดนไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นู้รับผลของกรรมั้ยยอมรับดีกว่าเพราะว่าถ้าเราพยายา ม, มวิดโตกกังวลนึกกลัวเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่โดยที่ไม่ได้ใจลบล้างความาวิบาิที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปยอมรับกรรมันถ้าจิตมีพลังแล้วมันรับได้ทุกอย่าง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 มันก็มันก็จะไม่มีเหล่ามันก็จะเห็นว่าเป็นเพียงดล่นน้ำมือไปนอยู่คนเดียวนี่มันทำให้เราได้อยู่ในบรรยากาศของของปรมาทสัจจะแต่ถ้าเราอยู่หลายคนแล้อยู่สองคนนี่มันก็จะเกิดตัวเราเขาละขึ้นมา แ, แตถ้าอยู่คนเดียวก็มีแต่ท้ามี น, น้ำโล่ไปแล้วก็ท้าโล่ปีใจ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 ด้วยการลึกรึกถึงพิจารณาตามที่ท่านสอนอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะงอกง า, ามขึ้นมาเป็นสติปัญญาของเราต่อไปอ่ปะอาจารย์สบายอาจารย์สบาย <c oughs> <c oughs>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 ทั้งไดตรง่าไไนเลยได้สติสติเพื่ออยู่ตรงนี้มองไม่เห็นอย่างกรนี้ที่ท่านเทศน์ตะกี้นะคะมันมีควม้ว่าแทนที่ฟังท่านเราสามารถที่จะยกติดข้ามไดระยะหนึ่งแต่นึ่งก็ไปบ้าแล้วมันด้วยเราคือเราตอสมุดหยุดจับมาเลยตอนนี้เป็นเหมือนกับตามธรรมะอยู่รอบตัวจิตเรามาทางทางธรรม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 เราต้องพัดพลาจากของต่างเหลานี้ไปให้หมดขึ่นไม่ได้เพราะว่าอำนาจของอริชาเรามีกำลังมากกว่าอริชาปรญญาสังการนี่มันทำงานทุกตรงหมายใจเข้าออกอย่างที่พูดนี่ไงพอจากนี้ไปต้องเนี้รทอลงเมชาลาก็เริ่มคุยกันเอลยไปแล้วมันเป็นอัตรมัติเลยเหมืนคนถนัดมือขวาเนี่ย ตอนนี้มาพี่ก็สอนให้ชมือซ้ายประช้ได้เลยพอไปจากศาาเนี่ปักกลับไปใช้มือขวาต่ อ, อเพราะมันถนัดมันเคยชินถนัด า, างทางมือซ้ายก็ต้องฝืนไงต้องพยายามฝืนาการภาวนาวนก็เป็นการฝืนใจเราด้ยืนใจให้คิดไปในทางธรรมคิดไปในธรรมะ ให้ทวนกระแสของของจิเล็ของวริยชาให้เข้าสู่กระแสธรรมพอเข้าสู่กระแสธรรมแล้วมันไม่ต้องบังคับลวมันจะไปทางธรรมละอย่างพอเข้าสู่โสตะนี่คำว่าโสตะแปล ว, ว่ากระแสโสตพนะเป็นแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานเข้าสู่กระแสมรรคกระแสธรรม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 ในวัดเลยบวชเป็นนักบวชเลยถึงจะปฏิบัติได้มากแต่มเมื่อม้เขาว่ากคนที่มาบวชเลยจะปฏิบัติได้มากนะครับบางทีบวชแล้วก็ยังปฏิเสธไม่ไดชื่อความคิดที่จะคิดไปในทางโลกไม่ได้แต่เม้ว่าจะเป็ น, ปนทางโลกแบบทางทางธรรมก็คือก็จะไปทํากิจอื่นเช่นแต่ทำท่าป่าทําสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์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 ถ้าใจลำบุญแล้วไม่เคยไปงานไหนเลยเช่นแห้อยู่ที่บ้านตากก็ถูกรังอยู่นะทํานก็ไม่ให้ไปแล้วพอออกมามันก็ติดป็นนิสัยถูกรังมาต้องเกิดเก้าปีมันก็เลยมาอยู่นี่ก็เหมือนกับขังตัวเองโดยปริยายไม่ได้ไ่เคยคิดอยากจะไปงานไหนงานของครก็ไม่เคยไปงานมันเกิดงานมันตายงานคบออรบรอบงานของครก็ไม่ของครไปมาไม่มวก็หม่ไป อยากจะทำอย่างที่ท่านจารย์พูดนะคะแต่ดูว่าเวลาจะมัทำใจมันวิ่งเลยบอกวาไอ้อง ป, ปล่อยๆมั่งดึงมั่งปล่ม่ว <c oughs> ่ง้นไปกนก็เหมือนเห็นนั ก, น ก, นกมาราธอนที่วิ่งก็อยากจะวิ่งอยู่แถวพอวิ่งได้สักร้ อ, อยเมตรสอง้เมตรก็ไปไหวแล้วเหนื่อยแล้วกาลังไม่พอก็ต้องพยายามทำจากจากกำลังที่เรามีอยู่เนี้ยแล้วก็พยายามาค่อยๆเพิ่มไป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 ห้าร้อยรูปเขาบูชาไฟเขาเขาบูชาไฟนับถือไฟทก็ส่งตอนเรื่องไฟว่าไฟแท้ไฟที่แท้ทแทรจริงนีอยู่ในใจไฟของลาภะโทษะโมหะพอสแสดงจบเขาก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยรูปเขามีก็มีสีมีสมาเท่กันอยู่แนละ้วแต่ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่า ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ปัญหาก็อยู่ตรงที่ไม่รู้จักอนุตามไม่รู้จักลดท่าโต๊ะจับโมหะว่าเป็นเหตุของความเิดตอสอนก็รู้ว่านี่แหละคือปัญหาให้ให้ดับเจ้ดับราค่าโท๊ะโ ม, มหะปัเหมันก็บรรลุด้สมายนั้นท่านก็ต้องสอนด้วยสมาธิสัง เ, เกตดู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 ตายไปก็จะไปแค่อยู่ชั้นสวรรค์ชั้นโรมแล้วก็จะเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังเป็นยังเป็นตายรักอยู่ชามนี้ก็ยังเป็นตายักอยู่ยังไม่เที่ยนยังเสื่อมได้เจริญแล้วก็เสื่อมได้แต่ถ้าเป็นโลกุตระมรักนี่มันจะโลกุตระธรรมนี่มันจะไม่เสื่อมเป็นโสดาแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชนเป็นเป็นอนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาเป็นเป็น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 กัเหมือนการต่อสู้ของของคนสองคนใครมีกาลังมากกว่าคนนั้นก็จะชนะถ้าปัญญาเรากาลังน้อยกว่าก็ยังสู้ผี่เลือไม่ได้หรือม้จะมีสมาธิก็ยังโลกโกดลงได้แต่ถ้าปัญญาเราทําให้มีมากขึ้นมากขึ้นพอจะโลกปั๊บมันก็จะตัดได้ตัดได้พอจะโกรธก็ตัดได้ตัดได้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 ท่องไปก่อนแล้วก็นึกภาพดูแล้วไปเปิดหนรรังสือที่มีภาพที่ก็ผ่าร่างกายออกมาให้ดูว่าวัยวะส่วนต่างๆดูไปแล้วก็นึกคนตายนึกคนตายอยูเรื่อ ย, ยต่อไปเวลามองร่างกายของเราหรือมองมองหน้าตาในีกระจกนี่มองเห็นส่วนอื่น ท, ที่อยู่ภครใต้ถึงอย่างด้วยมองใครก็จะเห็นส่วนอื่นเอยอย่างนี้ถึงจะเห็นเห็เร็วมีปรรัญญาแต่ถ้าไม่เห็นไม่เห็นทนายแนวนี้มันยังไม่มีปรรัญญา มันก็จะเห็นว่าสวยน่างงานหรือหน้าเกลียดก็ได้แต่ความจริงมันมันก็มีทั้งสวยน้างงานมีทั้งหน้าเกลียดมีทั้คนคนเดียวมันนั่นแหละมีทส่วนที่หน้าหน้าดูแล้วน้ไม่น่าดูแต่เราไม่จะเลือกดูในส่วนที่หน้าดูในส่วนที่ไม่น่าดูก็ม่อยากจะดูกันแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆต่อไปเราก็จะเห็นสิง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 ที่เรียนเป็นเดือนอะไนี่เดือนหน้าเป็นเงินลกได้วะต้องกลับคือไม่ขึ้นแลือไม่หยดขึ้นหรือกระเพื่อมหรือไม่กระเพื่อมแต่ถ้ามีสมาธิแล้วจิตจะไม่ค่อยกระเพื่อมไม่มีขึ้นแต่ถ้าจิตไม่สงบนี่มันจะกระเพื่อมมีขึ้นตลอดเวลา เวลานิ่งกับบบงม่ีคืนเหมือนกันคำว่านื่งกับความสปกติมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันมันเหมือนกับหกันคือวาเว่าคว่าน่งครับคือว่าก็พูดยากพูดสเราก็รู้ว่าพูดผิดไปแต่ความจริงมนความมันไม่นื่งเวลาคิดมันไม่นื่งแต่มันแต่มันไม่กรเื่อมแต่มันมันไม่มันไม่กระเื่อมมันไม่เป็นคลื่น คือการพูดยากแต่เวลาปฏิบัติพอได้ตัวนี้นะมันจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ได้มันก็อย่าสงสัยแล้วเราก็เข้าใจเพราะเรารู้ว่าคำพูด น, นี้มันบางครัง้งันสับสนเหมือนกันการพูดเหมือนไม่เหมือนกันเปนข้างสงบมันสงกว่านิ้วอะไรนี่ใช่ค้างสงวนนี่นะครับไม่ปรงแต่งคำว่าเสริมไม่ปรงแต่งแต่เวลาออกมาแล้วมันก็จะปรงแต่มันก็ไม่สงบแต่มันยังนิ่งอยู่ส่วมันไม่กระเพื่ <c oughs> อมมันไม่ขึ้น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 เช่เราอยู่ชั้นชั้นสเนี้พอท่านพูดถึงชั้นห้าเราก็อาจจะกำหนดตามท่านได้ทันแต่พอท่านไปชั้น6ชั้นเจ็ดนี้เราไปไม่ทันเพราะว่าแร ง, งเราไม่มีกําลังเราธรรมยาของเรามีไม่พอแต่การฟังทุกครั้ ง, ฟ, งฟังการแบบนี้ทุกครั้งท่านบอกจิตจะพัฒนาจจขึ้นใจแต่ละขั้นตรงนี้ครั้นนี้เราอยู่ชั้นห้าเนี้ยพอท่านมาพูดถึงชั้นห้าเรารู้แล้วเนี่ยนี่เราเดาความีชั้นหกว่าท่านจะพูดเราทป็นอย่างไรเกี่ยวกับชั้น6จะขึ้นไปได้อย่างไร พอเราฟังปั๊บนี่เราก็อาจจะก้าวตามไปได้เลยหรือถ้าไม่ได้เราก็กลับไปปฏิบัติก่นอนกลับก็ปฏิบัติก็เมืม่อนานเราก็จะก้าวขึ้นชั้นหกได้ต่อไปมันจะเป็นขัขขน้นๆไปอย่างนี้การฟังธรรมถ้าฟังเพื่อปัญญามันจะงนีน้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ฟังแต่เสียงไปน้กจิตก็จะสงบนิ่งจะได้ยินเสียงแต่จะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่จาจาอยู่ทางสบายฟังนั่งได้นั่ง ไ, ได้อย่างสบาย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 เราลองปิดดูถ้าเราเรบริกรรมต่ออยู่นึกว่าจะบริกรรมได้ถ้าบริกรรมได้มันก็มันก็จะมันก็จะสงกนึกเข้าไปไม่ดูลมหายใจเข้าได้มันก็จะสงบนึกเข้าไปินบาทีตอนต้นก็ต้องอาศัยอาศัยในการลดลดมือถือพันัเราเสียกาอาศัยลดถนนลากไปก่อนพอลดลดยื่นไปตั๊บเราใสเกียรับมันก็จะติดเครื่องมันก็จะติดได้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 ถ้าเราพิจารณาได้แล้วก็พิจารณาต่างถ้าเราพิจารณาไม่ได้เราก็ฟังเสียงธรของท่านไปเรื่อยๆยอ ก, ก็จะได้เนี่ยท่านว่าอนิสงค์ของการฟังธรรมก็จะได้ได้มีความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นบรญญาหรือได้ความสงบในี่ยจิตห่องใสจิตมีความสงบผ่องใสก็เป็นสมาธิแล้วก็ขจัดความสงสัยได้ในลางเรื่องบางประการ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 อันไหนที่เราเข้าใจเราเข้าใจอันไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ก็ต้องผ่ามมันไปก่อนท่าอาจารย์ท่านาที่เราฟังธรรมะท่านอาจารย์บ่อยๆนะคะ มี่พอไปฟังธรรมาที่คตามวัดที่เทพเลยเด็กเลยนะหายใจที่ถืิงถือว่าเจ้าหน้าใช่ไหมคะใมมช่เราก็เหมือนกินแกงสองหม้อหรือว่าหม้อนี้กับหม้อนี้รสชาติไม่เหมือนกันไม่เคยกินถ้ากินหมอ้ อ, มอดเดียวก็อาจจะไม่ดูว่า<ม>รสรสชาติแกงของคนอื่นก็เป็นยังไง จะมาก้าวหน้าก็ไม่เชิงละวเรจะรู้ว่ารู้จากข้อตัต่างกันแล้วกันหวังมีกำลังใจสักหน่อย๋ถ้าจะก้าวหน้าต้องวัดที่เกี่ตวของเราว่น้อยลงไปนหน่อยราว่าตรงนั้นตอนนี้เราโกรดน้อยลงไปนิดน่อเโลกน้อยลงไปนิดย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 เราไม่ทํางานต่อเราไม่อยู่กับอยู่กับการภาวนาทือมีสติให้รู้อยู่กับความว่างกระแดทไม่มีลงอยู่กัใอยู่กับความว่างนั่นไปความว่าถ้ามีความคิดปรุงแต่งก็ต้องรู้ทันว่ากําลังปรุงแต่ง้าลังคิดนะต้องอยู่ความคิดนั้นทันทีแล้วก็กลับมาอยู่ความว่างอยู่กับความนี้อย่างเดียวตอนนั้นก็สบายหลายถึงแม้จะไม่รวมลงตอนนั้นก็รู้สึกสบายมาก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 อนนั้นะว่างจริงๆเป็นความสงบเต็มขึนซื่อนังตรงนนตัวรู้ยังม่อยู่ใช่ไหมจ๊ะพะไม่อยู่ตลอดเวลามีตลอดตัวรู้ไม่หายไปไหนเาตัวรู้ยังมาถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรยู่เป็นอะไรตัวรู้ตัวรู้จะหายไปไหนมาเชียอย่าง้นงตัวรู้มันกเด่นขึ้นมายิ่งเด่นขึ้นมายิ่งจินิ่งนิ่งสงบมากขึ้นนะ่ะตัวรู้นิ่งจะเด่นขึ้นมามากขึ้น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 เรองว่ามันเกลีสงบแล้วเมื่อไรจะสงบได้ทีความีไใจแล้วก็จังนี่คือตรงนี้คือสงสัยทันทีพอสงสัยุ้มมันก in ็ขวางเลยามันยังไม่ลงก็คือออนีเาตั้งคำถามข้าในใจก็มันจะขวางเราไม่ให้ลง้เมันปรงแต่งอะไรเนี่ยมันนำมปุแต่งี่่อะเราต้องรับรับความปุุงแต่งให้สัตแต่รู้เฉยๆให้มีสติประทับประคองจิตให้รับรู้เฉยๆอย่างเดียว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 ว่าเอออย่างนี้เต่ห้ามขด้นค่ะแต่บางทีก็บอกว่าโอ้เป็นโรคศีกข้าราชจารทาไมเรื่องง่ายๆจิ้งเวตั้งสองอาทิตย์ก็จะทำใจอะไรเ่งี้ก็แต่ว่าก็ดูตลอด <c oughs> เออมันเป็นสติเต่าเนี่ยธรรมดาใครนเรายังขุบมากอยูม่มีความหย า, าดใจทำไปเรื่อยๆีสกัดได้เลยเพืรร่อนใจตั้งใจว่าจะนั่งคิด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 ถ้าอย่างเราอพอกเขานะก็ดูแล้วก็ดูการกระตุ้นของการหายใจคู่บคู่กันไป ไ, ปไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมคะถ้าเราถูกชยนิดยังนี้ก็ได้ถ้าพุทโธไปแล้วก็ดูวมหยายใจไปด้วยใช่ไแต่เวลาดูเราดูกันจะเพิ่มขึ้นลงของมันไม่ขัดแย้งกันไหมฮะเราไม่ควรจะดูหลายอย่าง <c oughs> ควรจะดูอย่างเดียวจะจะนิ่งกว่า <c oughs> ถ้าดูหลายอย่างจิตมันจ ะ, จะทํา ง, งานมาก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 หลว่าบเราไม่ได้กลา1 2 3สองสามเรากลัาพระพุทาสนาพระจอมอาภุดโทธรร ม, ม, ท โ, ทรมโมสังโฆ<ม>เด็ยเดที่ไ ป, ไ, ปไปวัดป่าก็จะกล่าวนี้กันโยโทธรรมโมสังนั้นเมื่อก่อนก็จะกลาวหนึ่สองสามดเพราะงี้มันจะพาให้เพียนได้ <c oughs> เรื่องเล็กๆ น, น้อยนี่ท่ากลับเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญท่านต้องแก้ทันที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 แล้วมกักจะล้มล้างไปนี้ยแล้วเอาอะไรมาล้มล้างก็เอาทกี่รติปงทางมาร้ล้างก็เมื่อก่อนใชนไหมมึงไทยเรามีโรงเรียนจะสอนวิชาพุทธศาสนาต่อมามีพวกด็อกเตอร์ปเป็นมือโรงนอกกลับมากัางเห็นเขามรนอกเขาไม่ให้สอนาศาสนาในโรงเรียนก็เลยอยากจะพัฒนากลางเขาไปต้องการเสรีภาพต้องการให้คนไม่ถูกบังคับให้เชื่อ